สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักนิทานเรื่องสั้นและบทความต่างๆที่จะเล่าต่อไปนี้ล้วนให้ข้อคิดและคติธรรมมากมายเหมาะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีขอให้ได้รับความเพลิดเพลินจากการ รับฟังร่วมกันนะคะนิทานเรื่องต้นแอปเปิลกับเด็กน้อย สำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะได้ยินพระท่านพูดออกอากาศทางสถานีวิทยุและท่านก็บอกว่าท่านค้นคว้าได้มาจากอินเทอร์เน็ตเราก็เลยเข้าไปค้นบ้างค่ะก็ได้พบนิทานมากมายเลยค่ะในเว็บไซต์ everykid.com รวมทั้งเรื่องนี้ด้วยค่ะ เรื่องก็มีอยู่ว่านานมาแล้วมีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆและเล่นรอบๆต้นไม้นี้ทุกๆวันเขาปีนขึ้นไปบนยอดของต้นไม้และก็กินผลแอปเปิ้ลและก็นอนหลับไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิ้ล เขารักต้นไม้ค่ะและต้นไม้ก็รักเขาเวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้นและเขาไม่มาวิ่งเล่นรอบๆต้นไม้ทุกวันอีกแล้วค่ะวันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาเด็กน้อยดูเศร้า ต้นไม้เห็นก็ร้องทักมาหาฉันเหรอมาเล่นกับฉันเหรอฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะฉันไม่อยากเล่นรอบๆต้นไม้อีกแล้วฉันต้องการของเล่นฉันอยากได้เงินไปซื้อของเล่นมีเงินให้ฉันไม่ล่ะฉันไม่มีเงินจะให้แต่เอาแบบนี้สิ เก็บลูกแอปเปิลของฉันไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นไงเด็กน้อยตื่นเต้นมากเขาเก็บลูกแอปเปิลไปหมดเลยค่ะและจากไปยังมีความสุขหลังจากเขาเก็บผลแอปเปิลไปหมดแล้วเขาก็ไม่กลับมาหาต้นไม้อีกเลยต้นไม้ดูเศร้าวัวนหนึ่ง เด็กน้อยกลับมาค่ะเขาดูโตขึ้นต้นไม้รู้สึกตื่นเต้นมากมาหาฉันเหรอมาเล่นกับฉันเหรอฉันไม่มีเวลาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องทำงานเพื่อครอบครัวของฉันเองเราต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหมล่ะฉันไม่มีบ้านจะให้แต่ แบบนี้สิตัดกิ่งก้านของฉันไปเอาไปสร้างบ้านไงดังนั้นเด็กน้อยก็ตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปและจากไปยังมีความสุขอีกครั้งที่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เดียวดายและเศร้า วันหนึ่งในฤดูร้อนเด็กน้อยกลับมาค่ะต้นไม้ดีใจมากมาหาฉันเหรอมาเล่นกับฉันเหรอเปล่าฉันรู้สึกผิดหวังกับชีวิตอะและเริ่มแก่ขึ้นแล้วฉันอยากเล่นเรือไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหมล่ะใช้ลําต้นของฉันได้นะตัดเอาไปเลย เอาไปสร้างเรือเพื่อเธอจะได้แล่นเรือไปและมีความสุขไงล่ะดังนั้นเด็กน้อยก็ตัดลำต้นของต้นไม้ไปสร้างเรือค่ะเขาล่องเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย หลายปีผ่านไปในที่สุดเด็กน้อยก็กลับมาค่ะคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมาก้วต้นไม้เห็นก็ร้องทัดฉันเสียใจนะฉันไม่เหลืออะไรจะให้อีกแล้วไม่มีผลแอปเปิลให้เธอเก็บกินไม่มีลำต้นให้ปีนอีกแล้ว ฉันก็ไม่มีฟันนะไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีต้นไม้ก็ไม่ไหวแล้วฉันก็แก่แล้วเหมือนกันฉันไม่มีอะไรเหลือให้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เหลือมีเพียงรากที่กำลังจะตายตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้วได้เลยเด็กน้อยรากของต้นไมแ้แก่จะเป็นที่พักพิงของหนูได้มาสินั่งลงข้างๆฉันแล้วหลับให้สบาย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 เรารักที่จะเล่นกับพ่อกับแม่เมื่อเราโตขึ้นเราทอดทิ้งพ่อและแม่และกลับมาหาท่านเมื่อเราต้องการบางสิ่งบางอย่างหรือเมื่อเรามีปัญหาไม่ว่าอย่างไรนะคะพ่อและแม่ของเราก็จะอยู่และให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำได้หวังเพียงเรามีความสุข คุณอาจจะคิดว่าเด็กน้อยในเรื่องนี้ดูโหดร้ายแต่นั่นคือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเราทำกับผู้มีพระคุณอย่างไรแล้วต้นไม้ของคุณล่ะคะเด็กน้อย